วันนี้เป็นวันธรรมสวนณะเป็นวันแรมแปดค่ำตรงกับวันที่หนึ่งตุลาพุทธศักราช2553ัอพี่น้องประชาชนได้มาสมาทานศีลและก็วันนี้เป็นวันสำคัญส่วนรัชการเป็นวันสำคัญอย่างไรคือเป็นวันที่ผู้ที่อายุครบห0สบเนี่ย ก็ได้จะได้กเกษียณอายุราชการกรถ้าว่าผู้ใดอยากจะออกจากราชการมาพักผ่อนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็สบายใจในระดับหนึ่งเพราะได้ออกมาทำงานออกมาเป็นส่วนตัวแต่ผู้ที่ยังรักราชการอยู่พอถึงวันนี้ได้ออกมาแล้วก็คงจะว้าเวเว้างว้างพอสมควรเพราะได้ทำงานมาตลอด เป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวแต่ถึงยังไงนี่แหละมันการมันผ่านไปมันผ่านไปผ่านไปพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านไปอย่างนี้แหละ่ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเองก็กเกษียณอายุราชการมาหลายปีเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่ออายุ66ปีเนี่แปลว่ากเกษียณมาทั้งหปีแล้ว เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านก็คงจะผ่านอย่างหลวงพ่อเหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆนี่ก็ราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ทำงานช่วยประเทศชาติบ้านเมืองมาก็ถึงกเกษียณอายุราชการแต่ถึงยังไงพวกเรากรเกษียณอายุราชการออกมาแล้วก็อยากปล่อยให้ชีวิตของเราเปล่าประโยชน์ก็ให รู้จักหน้าที่เมื่อสมัยเราเป็นเด็กเรามีหน้าที่อย่างไรอยู่กับพ่อแม่จากนั้นก็เรียนหนังสือในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเรามีหน้าที่อะไรก็รับราชการตามฐานะจะเป็นทหารตำรวจรับราชการตามหน้าที่อย่างไปคัดเลือกทหารอย่างนี้หรือว่าเรารับราชการ ก็มีหลายหมู่หลายเหล่าจากนั้นก็มีครอบมีครัวเราทำหน้าที่อย่างไรในคณะที่มีครู่คลองต่อมาก็เมื่อมีชีวิตคู่ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีลูกเป็นทายาทของพวกเราเรามีหน้าที่อย่างไรที่เราจะต้องดูแลทายาทของเราให้เป็นคนดีให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ จากนั้นเมื่อเราก็ทํางานมาเรื่อยๆจนถึงมาถึงจุดนี้แหละอายุหกสิบปีพวกเราจะต้องได้เกษียณอายุราชการในเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วต่อ น, นี้ไปเราจะทำอย่างไงในบ้านปลายชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยพวกเรายังไม่รู้ว่าวันไหนละคล้ายๆวันน้ําถ้าเป็นน้ําก็ไหลลงทางต่ํามันไหลแรงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เมื่ออายุของเรา ถึง30นี่แปลว่าน้ำของเราเนี่ยมันกำลังไหลขึ้นบนเขาแต่บัดนี้มันถึงอายุ 30-40 ปีเนี่ยมันจะไหลลงไหลลงแรงไปเรื่อยๆที่อกสเจสปีเข้าไปแล้วจะเห็นได้ชัดทุกคนร่างกายผิวหนังจะเหี่ยวแห้งผมจะขาวตาจะฟ้าฟางหูจะตึงฟันจะหลุด มันจะไหลไปเรื่อยๆเท่นี้เห็นได้ชัดไปเรื่อยๆอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายมันไหลลงไปทางต่ําไม่มีร่างกายไหนแล้วว่าชีวิตไหนที่จะไหลกลับมาหาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกไม่เคยมีมีแต่ไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกแนะนําบอกกล่าวพวกพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่นานเท่านานไม่มีใครที่จะพูดอย่างนั้นได้กล่าวอย่างนั้นได้เพียงว่าเยืมวันอยู่พูดอย่างนั้นจะถูกกว่าอยู่เป็นวันๆอาจจะไม่เป็นวันอีต่างหากอยู่เป็นนาทีวินาทีไปเรื่อยๆ สรุปแล้วก็คืออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถึงยังไงก็เถอะถ้าลมหายใจเข้าออกอย่างพวกเราเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลถึงยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่แต่สติมันหมดไปแล้วมีแต่นอนจุดอยู่เฉยๆเป็นเจ้าชายนิทราหรือเป็นเจ้าหญิงนิทราอย่างนั้นนอนอยู่แต่หายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่ตายแต่มันหมดสภาพนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่รู้จะหมดสภาพจะหมดสภาพเมื่อไหร่ไม่มีใครรับรองรับประกันได้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาตึงยึงสอนพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ละวันแต่ละเวลาให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างที่พวกราชการบำนานอย่างเนี้ยหรือว่าผู้กเกษียณอายุราชการอย่างเนี้ปั้นปลายชีวิตเนียเราจะทำอย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราอย่ายังคิดอ้อยอิงกับ หน้าที่การงานอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ยังวิ่งเต้นขนขวาอยู่อันนั้นหลวงพ่อว่าเรายังลุ่มหลงกับโลกวัตะสงสารอย่างมากๆไม่คิดว่าตัวเองไปอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ส ะ, สะแสวงหาทางของตนเองแต่ถ้าว่าพวกเราถ้าหากว่าคิดตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะต้องคิด เ, เมื่อบั่นปลายชีวิตของพวกเราเราจะทาอย่างไร เราจะสังสมคุณงามความดีอย่างไรเราจะให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมของตอนเองให้เป็นคนดีเพราะบรนปลายชีวิตของพวกเราแต่สมัยเป็นหนุ่มเราก็มัวเมาเออมืดมัวกับโรกวระตะสงสารถ้าจะว่าตามหลักธรรมคำสอนของของพระพุทธเจ้าแล้วทว่าตมโมตมะปรายโนคล้ายๆกับ ว, ว่าพวกเรามืดมนอนตการ ในขณะที่ทําการทํางานเราไม่ได้มองหาทางอื่นมีแต่ส่แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพของพวกเราจะทํำยังไงเราจึงจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติให้เทียมเท่ากับคนอื่นเขาแล้วก็หน้าที่ตําแหน่งพวกเราจะทํำยังไงจึงจะให้เทียมเท่ากับคนอื่นเขาหรือหรือว่าเหนือกว่าเขาอันนี้ว่าตโมตมปรายโนแต่ถ้าว่าพวกเราทําอย่างนี้แบบมืดมาในหลักธรรมนะว่ามืดมาแล้วก็โชติปรายโน โชตินี้ไปว่าสว่างสว่างไปก็คือว่าเมื่อเรามืดมามุกมุ่นในการทำการทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่บัดนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราควรจะหาธรรมเข้าสู่จิตใจของเราใจของเราเนี่ยไม่เหมือนอาหารทางร่างกายนะอาหารทางร่างกายนี่ก็คือเงินเงินก็คือปัจจัยสี่นั่นแหละเพื่อได้เงินมาแล้วก็ซื้อปัจจัยสี่ข้าวน้าโภชนาอาหาร ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บนั่นแหะผ้านุ่งห่มนี่แหละอันนี้ก็คือเงินแต่ธรรมะหรือว่าธรรมะคือว่าทำเนี่ยใจของเราเนี่ยต้องการธรรมะเข้าสู่จิตใจจะทํำยังไงธรรมะถึงจะเข้าสู่จิตใจได้นี่แหละอันนี้ก็คือเราต้องสสแสวงหาต้องเรียนรู้ต้องศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอาหารกายเนี่ยคือข้าวน้ําโภชนะอาหาร อาหารใจเด่อคือธรรมะคือหลักเหตุผลคือความถูกต้องเพราะนั้นเราจะต้องหาธรรมะเข้าสู่จิตใจคือโชติปรายโนโชติปรายโนคือให้สว่างไปสว่างไปก็คือเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจสมัยเมื่อก่อนเราหมกงุ่นในการท ร, รมาหาเลี้ยงชีพเราไม่ได้คิดอะไรมากมีแตส่สะแวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงครอบครัวของเราเพื่อเลี้ยงชีพของเราเท ว, ว่าโมธมะ แล้วก็โชติบัด น, นี้ควรจะโชติคล้ายๆว่าควรส่อแสวงหาความสว่างเข้าสู่จิตใจศีลธรรมเข้าสู่จิตใจสมาธิเป็นยังไงเราทําใจยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเราคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคืออะไรคือความเห็นชอบแต่ความจะทํำยังไงจึงจะเห็นชอบคือเห็นศีนลธรรมถ้าวัยเราอยู่ทางโลกเราก็อยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจ ต้องมีฐานะคือการเสียสละต้องมองดูและทีนี้เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มองดูลูกหลานของเราเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรในขณะที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยการให้ทานคือการเสียสละการเสียสละคำนี้ก็คือการให้ทานให้อภัยทานวิทยาทานธรรมทานมีหลายทาน คือฐานะในการเสียสละมวกพวกเราได้เป็นราชการแล้วว่าเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานมนานเราก็ควรจะให้วิทยาทานแก่ลูกแก่หลานจะทํำยังไงที่วิชาอาชีพของพวกเราที่ได้มาเนี่ยเราก็ให้เป็นวิทยาทานแก่ชุมชนตัวสังคมอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันจากนั้นจะทํำยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ ในแนวความคิดการอยู่ร่วมกันท่านเขาให้เป็นผู้มีสินอย่างพวกเรารับสินเมื่อกี้เนี่ยรับสินห้าเนี่ยอันนี้แหละคือการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันต้องมีคุณภาพต้องมีคุณธรรมต้องมีศีลธรรมต้องมีจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติพวกเราให้เห็นใจเขาใจเราเราจะไปฆ่าคนอื่นเขาถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรูสึกเสียใจแต่เราไปฆ่าเขาล่ะ ก็เช่นเดียวกันเราไปขโมยของเขาล่ะเขาเสียความรู้สึกถ้าเขามาขาโมยของเราล่ะเราก็เสียใจนั่นแนหะสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักของเขาถ้าเราไปทําไม่ดีกับเขาไม่เคารพสิทธิ์เขาเขาเสียใจถ้าเขามากระทาให้แก่เราเราก็เสียใจการไปต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาโกหกเขาศีลข้อที่สี่เขาเสียใจ ถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเอโกหกเราเต้มตุนหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของเราไปเราเสียใจเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะต้องศึกษาแต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดเพราะเรามีหน้าที่การงาน เราก็หายอยู่หากินไปเป็นวันวันแต่บัดนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องคิดศีลธรรมควรมาอยู่ในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราเมรยะ เ, เมื่อเท่าแก่เมื่ออายุถึงขนาดนี้แล้วบางคนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมุกมุ่นไปในการดื่มสุราเข้าไปเพื่อฆ่ า, เ, าเพื่อควกฆ่าความรู้สึกตัวเองที่มันว้าเหวี่างวางสับสนวุ่นวายก็เลยกินเหล้าเข้าไป เพื่อดับความสับสนในจิตใจอันนั้นยิ่งไปใหญ่อันนั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเรื่องดื่มสุราสุราเมริม马ชะประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้มากมายทีเดียวเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างนั้นถ้าคนเป็นบ้าถ้าเขามีสัตราอาวุธอยู่ในมือของเขานะ เราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เหมือนกันไม่รู้มันจะทําอะไรออกมา เ, เราไม่น่าวไว้ใจอันนี้ก็เหมือนกันคนดื่มสุราเมาสุราจัดจัดเข้าไปแล้วถ้ามีเขามีสตราอาวุธเราก็กลัวเขาเหมือนกันน่ะเพราะอะไรเพราะคนเมานี่การดื่มสุราก็รู้อยู่แล้วมันจะเมาแล้วเราไปดื่มทําไมเราไปดื่มให้โง่ทําไมเราก็รู้อยู่แล้วกินสารพิษมันก็ต้องเป็นพิษเนยถ้าจับไฟมันก็ร้อนถ้ากินเหล้ามันก็เมา่ะ ทำไมเราจะไปกินให้มันเมาเราไม่รู้เหรอมันเมามองล้วมันเป็นยังไงเสียหายหรือมันดีไหมเอ่มันดีต่อชุมชนไหมดีต่อประเทศชาติไหมดีต่อครอบครัวไหมเอ่ดีต่อตั ว, ตวเองไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราคิดดูให้ดีสินธรรมของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไกลนะอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเอ่อยู่กับพวกเราพวกทุกท่านฮะ อ, อันนี้ก็คือสินห้าเนี่ยแหละทีนี้ท่านมาเน้นหนักสอนเข้ามาอีก สำหรับผู้เข้ามาศึกษาภายในศึกษาเรื่องของใจใจคือนามธรรมตัวนี้แหละสำคัญเลนี่หลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านพูดไปมากมาย8ป0 0สี่พันพระธรร ม, มขันแต่พอมันจุดสุดยอดจริงๆที่ท่านจะให้รู้เหตแจ้งเห็นจริงจริงก็คือใจนามธรรมจุดนี้ะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างมาก ที่พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติบําเพ็ญอยู่หปีไปศึกษาอยู่หปีไปศึกษาเรื่องนามธรรมคือจิตใจของพระองค์เพราะนั้นวันเดือนหกเพนพระพุทองค์รู้ได้เห็นได้รู้แจ้งได้แต่อันดับอันก่อนหน้านั้นพระองค์ก็คิดว่ากิเลสทั้งหลายอยู่ในกายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรมานกายอดปัญญาหารถึง49วันเออจนผอม อย่างมากมากเลยเพราะไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำอ่ะเกือบเอาตัวไม่รอดแต่พระองค์ก็ใจของพระองค์ในความรู้สึกของพระองค์มันยังอยู่ยังอย่างเก่าอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแต่ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงแต่ใจนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาวิธีใหม่หาช่องทางใหม่ท่านคือมานั่งสมาธิถึงนั่งสมาธิคือ นั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักดูอารมณ์ของตนเองดูความรู้สึกของตนเองจับความรู้สึกของตนเองเมื่อเมื่อท่านจับความรู้สึกของท่านได้ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจับใจทั้งหมดจะดีจะชั่วจะโลภโมโหโทสันจะเป็นอะไรออกไปจากใจทั้งนั้นจะเป็นนักเลงหวัวไม้ออกไปจากใจจะเป็นคนดบคนดีจะเป็นปราชญ์บัณฑิตก็ออกไปจากใจจะเฉลียวฉลาด ออกไปจากใจจะโง่เง่าเตาตุ่นออกไปจากใจเพราะนั้นท่านจึงมาดูต้นต่อของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนา้า yeah. ท่านจึงประกาศออกมาว่าเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านชี้จุดไหนให้พวกเราดูให้พวกเราศึกษาพวกเราก็เห็นดูดูจุดที่พระพุทธเจ้าบ่งบอกท่านว่าเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องนั่งสมาธิจะทำยังไงจึงจับจิตใจได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางทีนั่งพอหน่อยๆมันทะเลทลายมันคิดปุ่งฟุ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะอหไรเพราะสติของเรามันอ่อนเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่จำเป็นยับสำคัญอย่างยิ่งพวกเราจะต้องศึกษาและจะต้องนามาประพฤติปฏิบัติกับตนเองให้มีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกอยู่ในตัวตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมกับพรมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทหรือหายใจเข้าเรานับหนึ่งหายใจออกเรานับสองหายใจเข้าเรานับสามนับสี่นับห้าไปถึงร้อยนั่นเมื่อเรานับแล้วจะเนี่มันเผลอไหมในขณะที่เรานับถ้าเรานับไม่เผลอ แสดงว่าสติของเราดีในระดับถึงแต่มันจะเผลอมันเป็นยังไงมันจะเผลอก็ตรงที่เวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขขี่หายใจออกมันเป็นเลขคู่หนึ่งสสาสี่ห้าไปถึงถึงร้อยเนี่ยแต่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์เ่บอเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี่มันสลับกันอันนี้แปลว่าเราขาดสติในช่วงนั้นถ้ามันขาดบ่อยๆไม่เป็นผลดีสําหรับการ ปฏิบัติของเราหรือตัวของเราเองถ้าคนขาดสติ ด, ดีคนขาดสติบ่อยๆไม่เป็นผลดีทําไมจะว่าไม่เป็นผลดีเพราะว่าคนขาดสติเราเห็นไหมตามถนนหนทางผมยาวๆนั่นแหะคนขาดสติถามมาหนึ่งพูดทีหนึ่งถามมาหนึ่งพูดทีหนึ่งคือคนขาดสตินะ่นถ้าคนมีสติสมบูรณ์แล้วนั่นแหละจะเป็นคนที่สมบูรณ์อพูดอะไรรู้เรื่องทุกอย่างมีสติมีปัญญา เพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงให้ตั้งสติก่อนก่อนที่จะทำภาวนาอย่างอื่นหรือวิปัสสนาอย่างอื่นก่อนหรือจะคิดเรื่องอื่นๆ่างเรื่องต่างอันนี้สมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยจำเป็นจะเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตามจะเป็นพ่อค้าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราก็ตาม ถ้าฝึกขัดเรื่องสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะมองเห็นได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ควรไม่ควร เ, เราจะได้กานกรองไตรตรองเหตุและผลพราะเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ท, ท่านไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาถึง6ปีพระพุทธองค์ไปนั่งสมาธินี่ยคือเรื่องสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นอันดับแรกจากนั้นพระองค์ก็ได้ พิจารณาทำข้ออื่นๆอีกต่อไปเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตทาติยมลูกหลานทุกหมู่เราให้ฝึกหัด เ, เรื่องสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิในการเป็นอยูอ่พวกเราจะไม่ลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาถ้าหากว่าพวกเราขาดสติแล้วพวกเราจะถละเละถลายกับถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกปไปเทไงเพราะเหตุไร พอเราขาดสติแต่เรามีสติขึ้นมาแล้วเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรอย่างไรนั่นแหละอันดับแรกหลวงพ่อได้กล่าวแนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างไรทำไมพวกเราเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุไม่ใช่ข้าราชการผู้สูงอายุกว่าเธอนะก็ให้ช่วยๆกันคิดสมัยก่อนเราเป็น ทำมาหาเลี้ยงชีพ เ, เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของพวกเราแต่มาถึงจุดนี้แล้วพวกเราควรจะหันหน้าหาทางตนเองคือหาหนทางของตนเองไม่รู้ว่าต่อ น, นี้ไปชีวิตของเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประ ก, กันได้เพราะนั้นขอให้พวกเราให้มันสว่างไปสมัยก่อนมันมืดมันมืดมนอนตรการเพราะเหตุว่าเราเฉาะสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพาการเป็นอยู่ของเรา มุ่นไปทุกอย่างเรื่องศีลและธรรมเราไม่ต้องพูดถึงอพอจะได้อันไหนเราได้อพอจะข้าวสัตว์ตัดชีวิตมาเพื่อจะเลี้ยงชีพของเราเราก็ต้องทําเอาทั้งหมดแต่บัดนี้พวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราควรจะมองมองควรจะเผาเๆลงอะไรตนี้หาทางตนเองนะตัวนี้อันนี้แหละ เ, เรื่องศีลเรื่องธรรมจากนั้นก็พูดเรื่องทานการเป็นอยู่ให้สงเคราะห์สงูงอนุเคราะห์ซึ่งกันละกันจากนั้นก็ให้มีศีล สัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเรื่องศีลห้าใจเขาใจเราพยายามรักษาศีลห้าถ้าคนมีศีลห้าอยู่ในจิตใจตลอดท่านว่าปิดอบายจะพรมไม่ตกนรกนะถ้าคนมีศีลห้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเรามีศีลห้าจากนั้นก็แนวความคิดทางด้านจิตใจอีก เ, เนที่หลวงพ่อยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นตัวอย่างของพวกเราเยพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรใน วันที่ท่านได้ตัดสรู้นั้นนี่แหละท่านนั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะในการดูท่านแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ได้บําเพ็ญทรมานกายว่ากิลเลสทั้งหลายจะอยู่ในกายแต่พอท่านทรมานดูแล้วกายพ่ายผอมไปอย่างมากแต่จิตใจก็ยัง ย, ยั ง, ย, ง, ย, งยังเก่าอยู่ท่านวันนี้เรื่องทั้งหลายออกมาจากใจท่านจึงมันเน้น เรื่องของใจทีนี่ศึกษาเรื่องของใจจากนั้นท่านก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประกาศเผยแ ผ, แผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เ, เป็นระยะเวลายาวนานถึงสองพันกว่าปีต่างคนก็ต่างยอมรับ เ, เว้นเสียแต่คนไม่ได้คิดไม่ได้ไข้ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็ตําทำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่พวกเรานำมาคิดมาวิเคราะห์แต่ละพูดแต่ละคำออกมาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุผลล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่ให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขและก็ล้วนแล้วแต่เป็นนิยานิกรธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกในวัฏะสงสารได้ไม่เป็นอย่างอื่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของปลอม เออเอามาที่มาศึกษาดูสิเอาหลักเหตุผลมาพูดกันสิ เ, เต็มไปด้วยหลักและเหตุและผลในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราสาธุชนทุกหมู่เหล่าให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและจากนั้นก็เมื่อศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราจะได้รับความสุขความร่มเย็นเป็นสุขอันดับแรกก็คือตัวของเรานั่นแหละอันดับแรกจากนั้นก็ครอบครัวผู้อยู่ใกล้ชิดเรา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันแต่ว่าพวกเราห่างเหินจากศีลจากธรรมหันหลังให้ศีลธรรมแล้วหันหน้าต่อกิเลสมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงมีแต่เรื่องเราอบายยมุกทุกอย่างการพนองการพนันทุกเสียงทุกอย่างเข้ามาลุมมาตุ่มพวกเราจะหวังว่าความสุขจะเกิดขึ้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่การทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น ในชุมชนในสังคมอันดับแรกกับตัวเองนั่นแหละจะได้รับความเดือดฟร้อนก่อนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้พูดแนวความคิดประจําวันพระให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าหลวงพ่อไม่พูดถ้าหลวงพ่อไม่บอกกล่าวเพราะหลวงพ่อเป็นพระที่อยู่ภายในที่ศึกษาอยู่ในวงในวงของวัด หลวงพ่อจะต้องนําธรรมะมาแนะนําสั่งสอนคณะสัาาตยาธิโยมพี่น้องประชาชนอันนั้นผิดนั้นอันนั้นถูกนะอันนี้ควรนะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้เราสมณะพราหมณ์ก็ว่าได้ขอให้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปกันกรองไตรตองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดย้ําว่าการฟังธรรมจมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว ไม่เข้าใจจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความสงบแล้วผ่องใสเพราะได้รับฟังเหตุและผลที่ทําความสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศเอาไว้จากนั้นก็ฉุดตัมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยิ น, ไ ด, ยนได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไร ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังกินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็ภาวนามยปัญญาเนี่หลวงพ่อเน้นเรื่องจิตตะภาวนาภาวนามยะปัญญาเนีน่นนยญญถ้าวัดเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรพูดเราจะรู้ได้ว่าใจของเราอยู่กับตัวเองนแต่ใจของเรา ปล่อยเออละเหยไปเรื่อยอไม่อยู่กับตัวเองแล้วนั่นแหละไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร